13. เตวิชสูตรว่าด้วยเรื่องไตรเพศเขาพระเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้โนโคศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รอรูปเสด็จถึงหมู่บ้านพราหม์ของชาวโกศลชื่อมณสะกตะประทับอยู่ณอัมพวันใกล้ฝั่งแม่น้ำอจิราวดีด้านเหนือหมู่บ้านมณสะกตะ สมัยนั้นในหมู่บ้านมณสะกตะมีพรหมหาศารผู้มีชื่อเสียงมาพักอาศัยอยู่หลายคนคือจังกีพราหม์ตาลุขะพราหม์โปกระสาติพราหม์ชานุโสนิพราหมโตเทยยพราหม์และยังมีพรหมหาศาลผู้มีชื่อเสียงคนอื่นๆ อ, อีกครั้งนั้นว่าเศรษฐมานกับพระรัวาชะมานก ไปเดินเล่นสนทนากันในเรื่องทางและไม่ใช่ทางวาเสตมานกล่าวอย่างนี้ว่าทางที่โปคราสาติพรามบอกไว้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้ฝ่ายพารัตวาชะมานกกล่าวอย่างนี้ว่าทางที่ตารุกพรามบอกไว้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไป เป็นทางนําออกนําผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้วาเสธมานพไม่อาจให้พารัตวะชะมานพยินยอมได้ฝ่ายพารัตวะชะมานพก็ไม่อาจให้วาเสธมานพยินยอมได้เช่นกันว่าเสธมานพจึงบอกพารัตวะชะมานพว่าพารัตวะชะก็พระสมณะโครดมพระองค์นี้เป็นศากยะบุตร พนวดแล้วจากสากยะยตะกูลประทับอยู่ที่อำเพวันใกล้ฝั่งแม่น้ำอจิราวดีด้านเหนือหมู่บ้านมณนะสากตะท่านพระโคดมนั้นมีกิติศัพท์อันงามผจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบและถึงเป็นพระผู้มีพระภาคพารัตวาชะมาเถิด พวกเราจะไปเข้าเฝ้าพระสมณะโคดมด้วยกันทูลถามเรื่องนี้แล้วส่งจำข้อความตามที่พระสมณะโคดมตรัสตอบแก่พวกเราพาราชวชมามนบรับคำของวาเสฐมานบแล้ว ว่าด้วยเรื่องทางและไม่ใช่ทางว่าเศรษฐานพและพารัตวชะชมานกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับสนทนากับพระผู้มีพระภาคพอคุ้นเคยดีแล้วนั่งลงณที่สมควรว่าเศรษฐามนกได้ทูลถามว่าท่านพระโคดมขอประทานวรโรกาเถิดเมื่อข้าพระองค์ทั้งสองไปเดินเล่นได้สนทนากันในเรื่องทางและไม่ใช่ทาง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 ท่านพระโคโดมในเรื่องนี้ยังมีการเถือผิดอยู่กล่าวผิดอยู่กล่าวต่างกันอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาเสธถักที่กล่าวอย่างนี้ว่าทางที่โปกราสาติพรามณ์บอกไว้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนําออกนําผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้พารัตวาชะมานกกลับกล่าวอย่างนี้ว่า ทางที่ตารุขะพรามบอกไว้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนําออกนําผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้พวกเธอถือผิด ก, กันในเรื่องไหนกล่าวผิด ก, กันในเรื่องไหนกล่าวต่างกันในเรื่องไหนว่าเศรษฐ า, านกราบทูลว่าในเรื่องทางและไม่ใช่ทางท่านพระโคดมพวกพรามทั้งหลายคือพวก อัทธริยพราหมณ์พวกติติริยาพราหมณ์พวกชันโทกพราหมณ์พวกภวะหาริชพราหมณ์บัญญัติทางไว้ต่างกันก็จริงถึงกระนั้นทางทั้งปวงก็ล้วนเป็นทางนําออกนําผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้เปรียบเหมือนในที่ใกล้หมู่บ้านหรือนิคมถึงจะมีทางอยู่หลายเส้นทางก็จริงถึงกระนั้น ทุกเส้นทางก็มาบรรจบกันที่กลางหมู่บ้านนั่นเองชั้นใดพวกพราหมณ์ทั้งหลายคือพวกอัทธริยพราหมณ์พวกติติริยะพราหมณ์พวกชันโทกระพราหมณ์พวกพวหาริชพราหมณ์บ ญ, ญัติทางไว้ต่างกันก็จริงถึงกระนั้นทางทั้งปวงก็ล้วนเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้ฉันนั้น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 พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเสธะเธอกล่าวว่าทางเหล่านั้นนําออกได้หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคโดมข้าพระองค์กล่าวว่านําออกได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเสธะบรรดาพราหมณ์ผู้ได้ตรัยเพศมีพราหมณ์แม้สักคนหนึ่งไหมที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้เขาทูลตอบว่า ไม่มีเลยท่านพระโคดมพระผู้มีพร ะ, พระภาคตรัสถามว่าวาเสถะมีอาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ตรยัรตรยเพศแม้สักคนหนึ่งไหมที่เคยเห็นพรมพอจะอ้างเป็นพยานได้เขาทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคดมพระผู้มีพร ะ, พระภาคตรัสถามว่าวาเสธะมีปาจารของอาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ตรัยเพศแม้สักคนหนึ่งไหมที่เคยเห็นพรม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 วาเสทะพวกฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ตรเพศได้แก่ฤาษีอัตกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทวะฤาษีเวสามิตรฤาษียมะตักขีฤาษีอังคีรสฤาษีพารัตวาชะฤาษีวาเสทะฤาษีกัสปะและฤาษีภคุ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 เขาทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเษฐะที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าบรรดาพราหมณ์ผู้ได้ตรัยเพศไม่มีเลยแม้สักคนเดียวที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้แม้อาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ตรัยเพศก็ไม่มีเลยแม้สักคนเดียวที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้ แม่ปาจา์ของอาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศก็ไม่มีเลยแม้สักคนเดียวที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้อาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศที่เป็นอาจารย์สืบทอดกันมาเจ็ดชั่วคนก็ไม่มีเลยแม้สักคนเดียวที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้พวกฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศได้แก่ฤาษีอัตกะฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทวะฤาษีเวสามิตรฤาษียามตัตตคิฤาษีอังคี ร, รสฤาษีพารัตวาชะฤาษีวาเสตะฤาษีขัสปะและฤาษีพคุซึ่งเป็นผู้ผูกมนบอกมนที่พวกพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศในเวลานี้ขับตามกล่อมตามซึ่งบทมนเก่าที่ท่านขับไว้กล่อมไว้รวบรวมไว้กล่าวได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้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 เป็นทางนําออกนําผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสถะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้ภาสิทธิของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศถือว่าเลื่อนลอยมิใช่หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคโดมเมื่อเป็นเช่นนี้ภาสิทิของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่า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 คนอยู่หัวแถวคนอยู่กลางแถวและคนอยู่ปลายแถวต่างก็มองไม่เห็นพาสิของพราหมณ์ผู้ได้ตรายเพศเหล่านั้นช่างหน้าขบขันต่ําต้อยเล้วไหลไร้สาระพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเศรษฐาเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพราหมณ์ผู้ได้ไตรายเพศมองเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขึ้นลงเหมือนคนเหล่าอื่น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 เป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ได้วาเษฐะที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าไม่มีพรามผู้ได้ไตรเพศที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้ไม่มีอาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรเพศที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้ ไม่ม <N 1> ีปาจารย์ของอาจารย์ของพรามผู er er ้ได้ตรายเพศที er ่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้ไม่มีอาจารย์ของพรามผู้ได้ตรายเพศที่เป็นอาจารย์สืบทอดกันมาเจ็ดชั่วคนซึ่งเคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้พวกฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพรามผู้ได้ตรายเพศได้แก่ฤาษีอัตตะกรฤาษีวามกะฤาษีวามเทวะฤาษีเวสามิต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 เธอรู้จักหญิงคนนั้นหรือว่ามีชื่อตระกูลสูงต่ำสันทัดดำคล้ำหรือผิวเหลืองอยู่ในบ้านนิคมหรือเมืองโนนเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่าไม่รู้จักจะถูกถามต่อไปว่าเธอปรารถนรักใครหญิงที่ไม่รู้จักทั้งไม่เคยเห็นอย่างนั้นหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่าใช่พระผู้มีพระภาคกร ถ, ถามว่าวาเสธะ เธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของชายผู้นั้นถือว่าเลื่อนลอยมิใช่หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคโดมเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของชายผู้นั้นถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนั้นเหมือนกันวาเสธะที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าไม่มีพราหมณ์ผู้ได้ตรเพศที่เคยเห็นพรมพอจะอ้างเป็นพยานได้ ไม่มีอาจารย์ของพรามผู้ได้ตรายเพศที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้ไม่มีปาจารย์ของอาจารย์ของพรามผู้ได้ตรายเพศที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้ไม่มีอาจารย์ของพรามผู้ได้ตรายเพศที่เป็นอาจารย์สืบทอดกันมาเจ็ดชั่วคนที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้และถึงพรามผู้ได้ตรายเพศเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราไม่รู้พวกเราไม่เห็น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 นั่นมิใช่ฐานะที่เป็นไปได้ปรีบด้วยคนสร้างบันไดว่าเศรษฐะปรีเหมือนบุรุษทำบันไดที่ขนทางใหญ่สีแพร่งเพื่อขึ้นปราศาสคนจะถามเขาว่า พ่อคุณเธอทําบันไดขึ้นปราสาทเธอรู้จักปราสาทนั้นหรือว่าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกหรือทิศเหนือมีขนาดสูงต่ําหรือปานกลางเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่ายังไม่รู้จักจะถูกถามต่อไปว่าเธอจะทําบันไดขึ้นปราสาทที่ยังไม่เคยรู้จักทั้งไม่เคยเห็นอย่างนั้นหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่าใช่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 พวกฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรเพศได้แก่ฤาษีอัตกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทวะฤาษีเวสามิตรฤาษียมักตักขี้ฤาษีอังคีรสฤาษีพารัตวาชะฤาษีวาเสทะฤาษีกัสปะและฤาษีพะคุซึ่งเป็นผู้ผูกมนบอกมนที่พวกพรามผู้ได้ไตรเพศในเวลานี้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 พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสตะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเพราะเหตุที่ชายผู้นั้นร้องเรียกอ้อนวอนปรารถนาหรือสรรเสริญฝั่งโน้นของแม่น้อาอจิระวดีจะเลื่อนมายัางฝั่งนี้ได้ไหมเขาทูลตอบว่าไม่ได้ท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนั้นเหมือนกันวาเสตะการที่พราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศและธรรมที่ทาให้เป็นพราหมณ์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 มัดแขนไพร่หลังแน่นหนาอยู่ที่ฝั่งนี้วาเสธะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรชายคนนั้นจะฆ่าแม่น้ำอจิรวดีได้ไหมเขาทูลตอบว่าไม่ได้ท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนั้นเหมือนกันวาเสธะกามคุณห้าตอไปนี้ในวินัยของพระอริยะเรียกว่าคือคาบ้างเครื่องจองจาบ้างกามคุณห้าอะไรบ้าง คือรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยตาอันน่าปรารถนารักใคร่พอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหูอันน่าปรารถนารักใคร่พอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยจมูกอันน่าปรารถนารักใคร่พอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัด รถที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้นอันน่าปรารถนารักใคร่พอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดโพธัพระที่พึงรู้แจ้งด้วยกายอันน่าปรารถนารักใคร่พอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดวาเสถะพรามณผู้ได้ไตรเพศผู้กำหนัดสยบหมกมุ่นมองไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาที่จะสลัดออกบริโภคกามคุณห้าอย่างนี้อยู่ การที่พราหมณ์ผู้ได้ตรายเพศละธรรมที่ทําให้เป็นพราหมณ์กลับไปถือเอาธรรมที่ไม่ทําให้เป็นพราหมณ์มาประพฤติกําหนัดสยบหมกมุ่นมองไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาที่จะสลัดออกบริโภคกามคุณห้าอยู่ติดตรวนคือกามหลังจากตายแล้วจะถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมนั่นมิใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเศษธะ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 นิวรณหต่อไปนี้ในวินัยของพระอริยะเรียกว่าเครื่องน่วงเหนียวบ้างเครื่องกลางกั้นบ้างเครื่องรัดเรึงบ้างเครื่องตรึงตราบ้างนิวรณห้าอะไรบ้างคือกามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทัตจกุกุจจัและวิจิกิจฉาว่าเศรษฐะนิวรณ์ห้าเหล่านี้แลในวินัยของพระอริยะเรียกว่าเครื่องน่วงเหนียวบ้าง เครื่องกลางกั้นบ้างเครื่องรัดตรึงบ้างเครื่องตราตรึงบ้างว่าเศรษฐะพราหมู้ได้ไตรเพศถูกนิวรณห้าเหล่านี้แลหน่วงเหนียวกลางกางั้นรัดตรึงตรึงเอาไว้แล้วการที่พราหมู้ได้ไตรเพศและทมที่ทำให้เป็นพราหม์กลับไปถือเอารมที่ไม่ทำให้เป็นพราหม์มาประพฤติถูกนิวรณห้าหน่วงเหนียวกลางกางั้นรัดตรงตรึงเอาไว้ หลังจากตายแล้วจะถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมนั่นมีใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เรื่องที่ตรัสเทียบเคียงระหว่างพรหมกับพรามพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ว่าเศรษฐะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเธอเคยได้ยินพราหมณ์ผู้แก่ผู้เท่าผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์กล่าวว่าอย่างไรพรมมีเครื่องเกาะเกี่ยวพัญญาหรือไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวเขาทูลตอบว่าไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพรมคิดจองเวรหรือไม่คิดจองเวรเขาทูลตอบว่าไม่คิดจองเวรท่านพระโคดม พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพรมคิดเบียดเบียนหรือไม่คิดเบียดเบียนเขาทูลตอบว่าไม่คิดเบียดเบียนท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพรมมีจิตเศร้าหมองหรือมีจิตไม่เศร้าหมองเขาทูลตอบว่ามีจิตไม่เศร้าหมองท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพรมบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้หรือบังคับจิต ให้อยู่ในอำนาจไม่ได้เขาทูลตอบว่าบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้ท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสรษถะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพทมีเครื่องเกาะเกี่ยวหรือไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวเขาทูลตอบว่ามีเครื่องเกาะเกี่ยวท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า พราหมีคิดจองเวรหรือไม่คิดจองเวรเขาทูลตอบว่าคิดจองเวรท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหมณ์คิดเบียดเบียนหรือไม่คิดเบียดเบียนเขาทูลตอบว่าคิดเบียดเบียนท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหมณ์มีจิตเศร้าหมองหรือมีจิตไม่เศร้าหมองเขาทูลตอบว่ามีจิตเศร้าหมองท่านพระโคดม พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหมณ์บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้หรือบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้เขาทูลตอบว่าบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้ท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าว่าเศรษฐะที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าพรามณ์ผู้ได้ไตรเพศยังมีเครื่องเกาะเกี่ยวแต่พรมไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวดังนั้น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 ว่าเศรษฐะพราหมณ์ผู้ได้ตรายเพศยังคิดจองเวรแต่พรหมไม่คิดจองเวรดังนั้นจะเปรียบเทียบพราหมณ์ผู้ได้ตรายเพศที่ยังคิดจองเวรกับพรหมผู้ไม่คิดจองเวรได้ละหรือเขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้ท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหมณ์ผู้ได้ตรายเพศยังคิดเบียดเบียนแต่พรหมไม่คิดเบียดเบียนดังนั้น จะเปรียบเทียบพราหมณ์ผู้ได้ตรายเพศที่ยังคิดเบียดเบียนกับพรหมผู้ไม่คิดเบียดเบียนได้ละหรือเขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหมณ์ผู้ได้ตรายเพศยังมีจิตเศร้าหมองแต่พรหมมีจิตไม่เศร้าหมองดังนั้นจะเปรียบเทียบพราหมณ์ผู้ได้ตรเพศที่ยังมีจิตเศร้าหมองกับพรหมผู้มีจิตไม่เศร้าหมองได้หรือ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 เมื่อจมแล้วก็ถึงความย่อยยับแต่ก็ยังเข้าใจว่าตนข้ามไปได้ง่ายๆดังนั้นเราจึงเรียกไตรเพศของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศว่าป่าใหญ่คือไตรเพศบ้างดงกันดารคือไตรเพศบ้างความพินาศคือไตรเพศบ้างเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ว่าเศสตมานกกราบทูลว่าท่านพระโคดมข้าพระองค์ได้ฟังมาว่า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 คนที่เติบโตมาในหมู่บ้านมณสากตะนี้เมื่อถูกถามถึงทางไปหมู่บ้านมณะะสากตะที่เขาเพิ่งจะออกมามีหรือที่เขาจะชักช้าหรือรีรออยู่เขาทูลตอบว่าไม่ชักช้าหรือรีรอเลยท่านพระโคโดมเพราะเขาเติบโตมาในหมู่บ้านมณะะสากตะจึงรู้หนทางในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาเสฐะ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 เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้วาเศสธมานพกราบทูลว่าท่านพระโคโดมข้าพระองค์ได้ฟังมาว่าพระสมณะโคโดมทรงแสดงทางไปเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมข้าพระองค์ขอวโรกาสขอท่านพระโคโดมโปรดแสดงทางไปเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมโปรดอนุเคราะห์ชุมชนพราหม์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่า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 ทรงแสดงทางไปพรมโลกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาเสทะตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอระหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบและถึงพึงนำข้อความเต็มในสามั ญ, ญพลลสูตรมาใส่ไว้ในที่นี้ภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แลและถึงเมื่อพิกษุนั้นพิจารณาเห็นนิวรห้าที่ตนละได้แล้ว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 วาเสทะนี้แลเป็นทางไปเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมยังมีอีกวาเสทะภิกษุมีกรณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิที่สองทิที่สามทิที่สี่ทิศเบื้องบนเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบขาจิตอันไพบู์เป็นมหากตะ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 เขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุไม่คิดเบียดเบียนพรมก็ไม่คิดเบียดเบียนดังนั้นจะเปรียบเทียบพิกษุผู้ไม่คิดเบียดเบียนกับพรมผู้ไม่คิดเบียดเบียนได้ไหมเขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิษุมีจิตไม่เศร้าหมอง พรหมก็มีจิตไม่เศร้าหมองดังนั้นจะเปรียบเทียบภิกษุผู้มีจิตไม่เศร้าหมองกับพรหมผู้มีจิตไม่เศร้าหมองได้ไหมเขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้พรหมก็บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้ดังนั้นจะเปรียบเทียบภิกษุผู้บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้ กับพรหมผู้บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้ได้ไหมเขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันได้ท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกและวาเสตะการที่ภิกษุนั้นผู้บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้หลังจากตายแล้วจะถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมผู้บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้นั่นเป็นฐานะที่เป็นไปได้ มานพทั้งสองประกาศตนเป็นอุบาสกเมื่อพระผู้มีพระภาคกรัสอย่างนี้วาเศฐตมานพกับพาลัทธวชาชะมานพได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพาะสิทธิของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพาะสิทธิของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศรมแจ่มแจ้งโดยประการต่าง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 เตวิชสูตรที่13จบสีละขันทวักจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. พระมชาลาสูตร 2. สามัญญผลสูตร 3. อัมพัทสูตร 4. โสนทันทสูตร 5. กูตะทันตสูตร 6. มหาลิสูตร 7. ชาลิยสูตร 8. มหาสีหนาทสูตร 9. โปธปาทสูตร 10. สุภสูตร 11. เกวัตสูตร 12. โลหิจสูตร13 เวิชสูตรสีลขันทวักจบบริบูรณ์